ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนั้นเพื่อการสํารวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรม ขอพระธรรมโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสํารวมระวังในพระธรรมในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสํารวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปสาธุสาธุสาธุอตอนนี้นะ นี่เราจเจริญกุศลกันเสร็จแล้วแต่กิจกรรมในการผลิตบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจไม่จบก่อนทำก็ดีใจกำลังทำสวดมนต์ก็ชื่นใจเนี่ยนะเรื่อมใสเมื่อทำเสร็จแล้วก็ปลื้มใจเนี่ยเมื่อกี้เราทั้งฟังทำทั้งสวดมนต์สาธยายคำสอนทั้ง ถวายเครื่องส ก, การะทั้งหลายนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชานี่นะทำจิตใจให้ผ่องใสนีทำจิตใจให้ผ่องใ ส, นะใใงใสแล้วก็ระลึกนะนอบน้อมบูชา มองไปนะที่ไหนต่อไปแล้วก็ถวายบูชาอย่างต่อเนื่องเลยนะยอมอย่าหยุดถวายบูชาอย่าหยุดนอบน้อมในใจอะ่ะเห็นอะไรหยิบเอาในใจมาประมวลในใจก็ถวายนอบน้อมจากเล็กๆไปนี่ลยโยมฝึกปะนะถวายเป็นพุทธบูชาขอนอบน้อมถวายบูชาพระเจ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมก็จะรู้เองว่า ศาษาสดาพร่ำสอนตลอดเป็นยังไงนะเราโยมจะชื่นใจจะมีความสุขใจได้เข้าพุทธเจ้าได้แล้วนะฝึกคิดไปนะมองโยมพ่อโยมแม่ก็มองนะมองในเพชรที่เขาประดับถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็น้อมถวายกับเขาไปเลยนะน้อมไม่ได้กุศลเกิดขึ้นจากการถวายเป็น พุทธบูชาทรรมบูชาสังคาบูชาน้อมได้เวลาแล้วอีกสามสิบนาทีเนีนะ่ยล้วก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเลยเไมเนี่ยมองไปนะที่ไหนเนะ้น้อมกราบเจอดอกไม้เจอของหอมเจอสิ่งของต่างๆอย่ า, าให้ความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงมันเกิดขึ้นนะยำนะแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้าเป็นวิบากบุญของเราที่ได้เห็นสิ่งนี้ดีนะัก เอาเห็นก็ถวายเป็นพุทธบูชาเสียงพอเพลา ะ, าะกลิ่นหอมๆเอาวิบาสของเราได้อีกแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาไปะนะจะได้ไม่กำหนัดไม่ยินดีเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นไม่ขัดเคืองแล้วก็จักไม่ลุ่มหลงในสิ่งนั้นแล้วก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาบ่อยๆต่อเข้าก็จะเกิดความปราบลื้มสดชื่นว่าเราได้เข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วพระศาสดาประทับในะเบื้องหน้าของเรา เดี๋ยววันนี้เราจะไปกราบษาสดานปารินทร์ที่ผ่านสถูกสถานที่ตรงนี้ท้านึกอย่างนี้นะโยมนะนึกบอกว่าพระสงฆ์ที่เป็นสังฆเถระมาเฝ้า菩าสดาที่เป็นหัวหน้าสงฆ์นี่นะแสนลูกแต่ละองค์เนี่ยมีบริษัทบริวารหาประมาณไม่ได้เลยห0 0เป็นร้อยเือแล้วก็ยังมีอะไรอีกแหละ ภิกษุณียังไม่ได้นับอุบาสกบาสิกาไม่ได้นับเทวดาพรมบริเวณปริมนทนนี่ไม่รู้กี่โยอดตกี่โยอดเต็มน า, นาแน่นไปด้วยพาะอริยะบุคคลด้วยผุ้ดุชนก็มีเนี่ยเข้ามาเฝ้า菩าสดาเป็นครั้งสุดท้ายกันวันนี้เรามีโอกาสจะไปเฝ้า菩าสดาเหมือนกันนีจะไปเฝ้าถึงว่ามาสุดท้ายภายหลังก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเราได้มาแล้ว เมฆพาวภาษ า, าสดาณแดนปรินิพานของภาษาสดาส่วนข้อมูลนั้นเอาไว้เก็บข้อมูลในรายละเอียดเมื่อไปถึงสถานที่ด้วย เ, อ, เอื่เมื่อคืนเรามาช้าดังเด็กแล้วก็ไม่ได้เก็บข้อมูลในมหาปรินิพานสูตรเพราะว่าถ้าได้ข้อมูลมากก็จะมีข้อมูลในการไปไข้ควรมากนะถ้าพระท่านมีข้อมูลท่านก็ไข้ควรได้นะ แต่โยมบางท่านอาจจะยังมีข้อมูลได้ไม่มากตรงนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็เที่ยงข้อมูลแค่ไหนระลึกแค่ไหนก็นอบน้อมแค่ตรงนั้นถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมีใครจะสงสัยจะถามอะไรไหมการระลึกการบูชาเป็นกันหมดหรือยังบูชากันเป็นหรือยังฮะ เป็นแล้วนะเออให้เดินพอนมมมมมมมไม่เป็นไรเออเพราะคืออย่างนี้ยยมสุวรรณตาที่เราได้เห็นเกิดจากบุญของเราเป็นวิบากนั่นเมื่อเป็นวิบากของเราได้เห็นเราก็เลยถวายวิบากที่เห็นเป็นพุทธบูชาอีกเลยนั่นแหละถวายวิบากสิ่งที่เห็นเนี่ย มันเป็นผลเป็นผลปรากฏทางทวารตาเราไงเป็นผลปรากฏทางทวารหูเราทำบุญมาเราจึงได้เห็นแล้วก็ถวายสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินซ้ำเขาอีกถวายเป็นพุทธบูชาแทนที่จะให้เกิดบาปกับสิ่งที่เห็นเข้าใจอยังเราได้ถวายเป็นพุทธบูชาได้นอบน้อมเป็นพุทธบูชาแล้วเป็นเป็นสมบัติของพุทธเจ้าหมดแล้วเนี่ย ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็น้อมเรามีบุญเนี่ยได้มีโอกาสมาเห็นเจดีย์ได้มีโอกาสเห็นสิ่งสกสาราบูชาก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยอนุโมทนากับเขาด้วยได้บุญต่างหลายต่อเห็นไหมอนุโมทนาใหม่ก็ได้แล้วก็ให้ส่วนบุญก็ได้ถวายก็ได้เลเข้าใจอย่างดนเดี๋ยวนี้ชัดเจนไหมต้องมาดูจริงๆถึงจะเห็นใช่ไหม ถึงจะทำเป็นใช่ไหมบางที่พูดในห้องเรียนไม่ไม่เห็นใช่ไหมตอนนี้เห็นไมเห็นแล้วนยะสิ่งที่ทำไม่ดีก็อย่าไปถวายเลยทิ้งไ ป, ป<บ>เลยเนี่ยทิ้งเลยเราจะละบาปอากุศลทั้งหลายแต่เราจะทำกุศลให้เกิดขึ้นถวายให้เป็นพุทธบูชาครับนั่นแหละจิตที่ตะหนักในคุณนั่นแหละแปลว่าคุณกุศล เราก็ถวายกุศลนั่นเองเป็นพุทธบูชาแต่ไม่ใช่เอาของไม่ดีไปถวายพุทธเจ้าครับเนะีขอบพระคุณครับอย่าไปเอาราคาโทสะโมหะถวายได้เนะีล่ละน้อมจิตในขณะที่กุศลและจิตเกิดขึ้นตอนนั้นกิเลสไม่เกิดกิเลสไม่เกิดเราก็เอากุศลนั่นแหละซึ่งเป็นธรรมบูชานั่นแหละ <ngày> กำลังเกิดขึ้นนั่นแหละถวายนั่นเองนั่นแหละคือธรรมบูชาเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมธรรมบูชาคือกุศลและธรรมที่เกิดขึ้นในใจนั่นแหละเป็นธรรมบูชาแล้วนั่นแหละนั่นแหละธรรมบูชาเกิดขึ้นมาแล้วกิริสโอทะภาเป็นเหตุใกล้ของกุศลศีลเราจะเอาศีลถวายเป็นธรรมบูชาศีลเป็นประทัดฐานของสมาธิสมาธิก็เป็นประทัดฐานของปัญญา โอ้ยเราได้ให้สิกขาสามเกิดขึ้นในใจเป็นพุทธบูชาเดียวพระศ า, าสดานี่ง่ายธรรมบรรลุของพ่อเราได้สัมผัสแล้วเนี่ยชื่นใจไหมอย่างเนี้ยเนี่ยมันจะชื่นใจเลยมันจะเป็นอย่างนั้นมีใครถามอะไรไหมแปลว่าจเจริญกันถูกหมดทุกคนแล้วน ะ, จะเจริญถูกกันหมดแล้วเนี่ยได้ถวายทั้งอามิตรและทำจิตให้ผ่องใสล่เริงน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ไปที่ไหนกราบโยมกราบนอบนอมนะเขาใครจะว่าเราอย่างไรอย่าไปกังวล น, นะว่าเอ๊ะทำไมยกมือพันนมเดินทางไปทั้งที่ต่างๆทำไมพนมมือตลอดเวลาอย่าไปกลัวคนอื่นว่าเราศรัทธาเราจะเจริญกุศลเรานะถ้าใครรู้จักพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นก็ก็นอบนอมพุทธเจ้า ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อได้เราเริ่มจะรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นแล้วเนี่ยเราจรึงทวายสกาละภาษาสดาเนี่ตรงนี้นะใครยังจเจริญพุทธคุณไม่ได้บ้างเดี๋ยนี้เริ่มชัดเจนนยังออสาธุด้วยนะที่ตังมันกันได้เพราะกว่า จ, จะเจริญได้ไม่ใช่ง่ายถ้าเข้าใจแล้วมันจะเข้าใจเลย แลวความเข้าใจนะมันจะอยู่ติดเป็นคันทนะสันดานไปเลยไม่ว่าจะไปในพบไหนได้ยินคาว่าพุทธโธแค่นั้นนะ่ยไปแล้วนะจิตหลุดออกจากจุดอื่นทันทีกำลังเห็นผิดอยู่นี่นะพอคาว่าพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแค่นั้นเนะ่โอ้โหแค่นี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะพร้อมทิ้งทิ้งทุกอย่างได้นะเรารู้ว่าเราอยู่กับสิ่งที่ไม่มีสาระ แต่เรามากอดสิ่งที่ไม่มีสาระจมอยู่เนี่ยแต่พอคําว่าพุทธเจ้าแกนั้นนะกล้าสละสิ่งเหล่านั้นได้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละชีวิตยังกล้าสลระได้นะคนที่เขาถึงจริงๆบางท่านนี่นะบางคนนี่ถวายพุทธบูชาหนักมากมีบางท่านเนี่ยหั่นนิ้วมือถวายเป็นพุทธบูชายังเคยเจอมาแล้วแต่เราไม่ใช่รุนแรงขนาดนั้นบางคนขนาดนั้นเลย เียนโหสเทือนเนนบอฉะนั้นกรณีในลักษณะอย่างนี้นะเราที่ยังลังเลสงสัยเพราะวิชิกิจฉาในใจเราแรงไงนะวิกิกิฉาก็ต้องเปลืองตนเสียเปืงตนเสไม่มีใครถามอะไรแล้วเนาะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวก็กราบพระกัน อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวพผู้ทังภะคะวันตังอาภีวะเทมิสวัส s o n g